การนัดหมาย119ที่ชื่อว่าการนัดหมายอธิบายว่าภิกษุทําการนัดหมายว่าจงลักทรัพย์ตามเวลานัดหมายนั้นคือในเวลาก่อนชันอาหารหรือในเวลาหลังหลังอาหารในเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันต้องอบัตทุกกฎภิกษุผู้ลักลักซัพย์ได้มาตามเวลานัดหมายนั้นต้องอบัตปาราชิกทั้งสองรูปภิกษุผู้ลัก ลักทรัพย์ได้มาก่อนหรือหลังเวลานัดหมายนั้นภิกษุผู้นัดหมายไม่ต้องอบัตภิกษุผู้ลักต้องอบัตปาราชิก